มาพิสูจน์ความจริงที่พระบุตเจ้าได้ทรงสอนให้แก่พวกเราว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร อ, อยู่ในตัวของเราเองไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวเราของที่อยู่ข้างนอกตัวเรานี้เป็นความสุขปลองเป็นความสุขที่ไม่ถาวร เป็นความสุขชั่วคราวแต่ความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวเราถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงนี้เราก็ต้องขุดมันขึ้นมาเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ขุดก็คือการทาทานการรักษาศีลการภาวนา ถ้าเรามีเครื่องมือแล้วเราใช้ในการขุดคุยค้นหาความสุขที่แท้จริงไม่นานเราก็จะได้พบกับความจริงว่าความสุขแท้ๆนี่อยู่ในตัวเราเองความทุกข์ก็เช่นเดียวกันความทุกข์ก็อยู่ในตัวเราเราเป็นคนผลิตมันขึ้นมาเองแต่ตอนนี้เราไม่รู้ เราถูกความหลงความมืดบอดหลอกให้เราไปหาความสุขภายนอกกันให้หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภัตตต่างๆจากแสงสีเสียงจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานการเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่เราหารู้ไหมว่า มันเป็นความสุขปลองและเป็นความทุกแท้เพราะว่าเราจะต้องพบกับความทุกอย่างแน่นอนถ้าเราไปหาลาบยศสรรเสริญหาแสงสีเสียงหารูปเสียงกลิ่นลดกันเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองเป็นของชั่วคราว เวลาได้มาเวลามีก็มีความสุขดีอยู่แต่เวลาที่เขาเสียไปจากเราไปเวลานั้นเป็นเวลาที่เราจะมีแต่ความทุกข์ใจแต่ความมืดบอดของเรามันไม่ยอมให้เรามองเห็นความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกริ้นกาย มันจะหลอกให้เราเห็นแต่ความเจริญหลอกให้เราเห็นว่าเวลาเราได้ลาบยศสะลรเสริญได้รูปเสียงกดลิ่นรสโผฏฐะมาเราจะมีความสุขมากเราก็เลยหลงไปกับการหาลาบยศสร ะ, ะเสริญในขณะที่หาเราก็เหนื่อยยากลําบากแต่เรามองไม่เห็นเพราะความอยากได้สิ่งต่างๆ ยึงทำให้เรามองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการต้องแสวงหารายกยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเช่นทุกวันนี้เราทุกข์กับเรื่องอะไรถ้าเป็นเด็กก็ต้องทุกข์กับเรื่องการไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีวิชาความรู้เพื่อที่จะได้ ไปหาเงินหาทองไปหาลาบยกสรรเสริญกันนั่นเองนี่ก็ทุกตั้งแต่อายุสามขวบนะสามขวบพ่อแม่ก็จะส่งเข้าโรงเรียนอนุบาลหนึ่งสองสพอจบอนุบาลก็ส่งเข้าโรงเรียนชั้นประถมจบประถมก็ชั้นมัธยมจบมัธยมก็ส่งสู่ชั้นมหาวิทยาลายัยมันมันสุขหรือทุกข์กันถามจริง มีใครอยากจะไปเรียนหนังสือกันน้าถ้าไม่มีคาบังคับถ้าไม่เห็นคุณค่าของการเรียนก็คงจะไม่ไปก็คงจะไม่ไปกันแต่พอเห็นว่าเรียนมันดีกว่าไม่เรียนอย่างน้อยจะมีความทุกข์น้อยกว่าแต่มันก็ยังเป็นความทุกข์อยู่เพราะเราเวลาเราเรียนจบแล้วเราก็ต้องมาทุก์กับการหางาน หางานตลอดไปตลอดมาหาได้ก็ดีใจหาไม่ได้ก็เสียใจนี่ก็เป็นทุกข์อีกอย่างแล้วพอได้งานมาก็ต้องทุกข์กับการไปทำงานทุกเช้าทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์ก็ต้องไปทำงานรอให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้มีวันหยุดสักสองวันทุกสัห้าวันสุขเพียงสองวัน นี่คือการไปหาความสุขภายนอกตัวเราภายนอกใจของเรา<ม>เพราะเราไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังเราก็ไม่เข้าใจเราไม่รู้ความว่าบุญแปลว่าอะไรเราก็คิดว่าบุญเป็นของที่ลอยอยู่ในอวากาศทำแล้วมันจะมาอำนวยสิ่งต่างๆให้เรา แทนที่จะอำนวยความสุขใจเรากลับไปคิดว่าทำบุญแล้วเราจะได้เงินมากขึ้นได้ลาบมากขึ้นได้ตำแหน่งสูงขึ้นได้คนสรรเสริญเยินยอมากขึ้นได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากขึ้นอยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปนี่คือคิดว่าผลานิสงของการทำบุญ ทำแล้วเราจะได้เจริญในลาบยศสรรเสริญกันแต่นี่มันเป็นความเข้าใจผิดการทําบุญนี้เป็นการเข้าหาความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในใจของเราการทำทานเนี่ยให้เราสะละแทนที่เราอยากจะได้ลาบยศสรรเสริญขอให้เราสะละลาบยศสรรเสริญอย่าไปสแสวงหา เพราะมันเป็นการแสวงหาความทุกข์กันถ้าเราไม่มีอะไรจะให้เราก็แสวงหาด้วยการรักษาสีนถ้าเราไม่มีเงินทองที่เราจะไปแบงปันเอาไปทำดุทาทานเรื่องของการทาทานก็หมดปัญหาไปที่ให้ทำทานก็เพื่อให้เราหมดเงินหมดทองให้เราหยุดหาเงินหาทอง เราให้เรามารักษาศีลกันเพราะว่าการรักษาศีลก็จะทำให้เราได้พบกับความสุขใจได้พบกับความสบายใจคนที่รักษาศีลกับคนที่ไม่รักษาศีล น, นี้สภาวะทางจิตใจจะเป็นความแตกต่างกันคนทาบาปจิตใจจะวุ่นวายจะวิตกกังวลจะเป็นเหมือนวัสนันหลังหวะเวล า, าเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจ นี่จะรู้สึกหวาดเสียวขึ้นมาทั้งๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่รู้เรื่องของการทำบาปของเราแต่พอเราทำไปแล้วมันก็เป็นเหมือนกับแผลในใจของเราพอมีอะไรมาสะกิดหน่อยพอเห็นคนนั้นคนนี้หน่อยก็กลัวแล้วกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราได้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรารักษาสิ่งได้ใจของเราจะไม่มีแผล ใจของเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาเจอใครเจอตำรวจเจอครูบาอาจารย์เจอใครนี่เราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่ได้ไปทำบาปทำอะไรมาแต่เวลาเราไปทาบาปมานี่เรามักจะไม่อยากจะเข้าวัดกันเวลาเห็นพระเรากลัวกลัวพระจะรู้ว่าเราไปทาบาปทาอะไรมานี่คือสิ่งที่เราควรจะทำกัน ความสุขที่จะได้รับจากการไม่ทําบาปจะทําให้ใจของเราเย็นให้ใจของเราสบายไม่มีตกไม่กังวลกับกับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรที่จะทําให้มีวิบากกรรมเกิดขึ้นกับเรานั่นเองนี่คือการหาความสุข ภายในใจด้วยการรักษาสีส่วนถ้าเรามีเงินทองมีข้าวของที่เราสามารถแบ่งให้คนอื่นได้แจกให้คนอื่นได้เราจะมีความรู้สึกเบา อ, อกเบาใจเวลาให้ของคนอื่นไปแล้วนี้เราสบายใจเพราะว่าเราไม่ต้องมาหวงมาห่วงมากังวลกับข้าวของที่เรามีอยู่พรอม ไม่มีของแล้วเรากลับสบายใจกว่ามีของเพราะเวลามีของเราก็ต้องคอยดูแลรักษายิ่งของที่เรารักเราชอบเรายิ่งต้องคอยดูแลรักษาคอยหวงคอยห่ ง, หงทำให้ใจเราไม่มีความสุขแต่ถ้าเรายกให้คนอื่นไปได้นี้เราจะสบายใจไปเลยเพราะไม่ต้องมาหวงมาห่วงเช่นเรามีแฟนเพื่อนเราอยากจะได้แฟนของเรา ยกให้เขาไปเลยรับรองได้ว่าให้แล้วจะเบา อ, อกเบาใจจะสบาย อ, อกสบายใจเพราะจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลมาคอยห่วงคอยห่วงว่าเขาจะไปเมื่อไหร่เขาจะไปหรือไม่ไปให้เขาไปเลยดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขใจมีความสบายใจอยู่สองคนแล้วมีความวุ่นวายใจ มีความทุกข์ใจนี่คือทานพยายามหัดทำพยายามอย่ามีอะไรเป็นของเราเพราะการมีของเป็นของเรานี่เป็นการสร้างความหนักอกหนักใจให้กับเราเพราะเราจะต้องไปแบบอะไรที่ไม่ใช่เป็นของเรานี่เราจะไม่หนักอกหนักใจเพราะเราไม่ไปแบบเช่นแฟนของคนอื่นนี่เราไม่ไปหนักอกหนักใจกับเขา แฟนของคนอื่นจะอยู่จะไปเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเป็นแฟนของเราขึ้นมามันจะทำให้เราเดือดร้อนขึ้นมา ท, าทันทีพระพุทธเจ้าทั้งสอนว่าให้มักน้อยอย่ามีมากให้มีเท่าที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่เท่านั้นเองเสื้อผ้าสักสองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้ ส, สารอง มีสามซุดก็พอแล้ว ม, มีมากกระทุกมากทุกพรา่าท้องหาเวลาซื้อเสื้อผ้านี้ต้องใช้เงินใช้ทองก่อนจะมีเงินมีทองก็ต้องไปทุกกับการหาเงินหาทองถ้าใช้เงินมากก็ต้องหามากหามากก็ต้องเหนื่อยมากถ้าใช้น้อยก็ไม่ต้องหามากใช้น้อยก็หาน้อยก็เหนื่อยน้อย ถ้าไม่ใช้เลยก็ไม่ต้องหานี่คือความสุขใจเราอยากไปมีมากมีมากแล้วทำให้เราต้องทุกใจต้องเหนื่อยยากกับการหาสิ่งต่างๆมาเสื้อผ้าก็ให้มีพอพอพอใช้ได้พอประมาณอาหารก็รับประทานพอประมาณแล้วก็ไม่ต้องเป็นอาหารที่มีราคาแพ ง, แพง ไม่ต้องไปรับประทานตามว้านาหารตามโรงแรมหรูๆต่างๆรับประทานที่บ้านก็ได้ไข่ต้มผักต้มจิ้มน้ำปลาอย่างนี้ก็อิ่มแล้วประหยัดเงินประหยัดทองจะได้ไม่ต้องหาเงินมากจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากที่อยู่อาศัยก็อยู่ไปตามมีตามเกิดไม่มีเงินซื้อบ้านก็เช่าบ้านอยู่ไปไม่มีเงินเช่าบ้านก็ไปอยู่วัด วิธีจะอยู่วัดก็ต้องไปรักษาศีลถ้ารักษาศีลแล้วไม่ไม่ขี้เกียจก็อยู่ได้วัดยินดีให้อยู่ถ้ามาอยู่วัดก็ลุ่งขาวห่วมขาวถือศีลแปลขยันลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์ขยันช่วยทำ ง, งานเวลาที่มีเวลาว่างช่วยทำ ง, งานในครัวช่วยทำ ง, งานอะไรในวัดก็จะไม่มีใครรังเกียจมีคนยินดีที่จะให้เราอยู่ อยู่แบบนี้สบายไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าน้ําค่าไฟเรื่องค่าเช่าบ้านไม่ต้องไปกังวลกับการหาเงินหาทองมีเวลามารักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีเวลาที่จะมาขุดหาความสุขที่มากกว่าด้วยการภาวนาการทําทานก็มีความสุขในระดับหนึ่งการรักษาศีล ก็มีความสุขในระดับอีกระดับหนึ่งแต่ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มร้อยถ้าอยากได้ความสุขแบบเต็มร้อยก็ต้องมาหาด้วยการภาวนาภาวนาก็มีสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสามถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาสามถภาวนาก็คือการทาใจให้สงบ วิปัสนาภาวนาคือสอนใจให้ฉาา <c oughs> ให้หายหลงให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกใจ <c oughs> นี่คือการหาความสุขที่ที่มากที่สุดด้วยการภาวนา <c oughs> ขั้นแรกก็ทำสมถะภาวนาทำใจให้สงบเพราะถ้าใจสงบ ใจก็จะได้รับความสุขเต็มเต็มร้อยความสุขที่เหนือกว่าความสุขท่านหลอยในโลกนี้ถ้าทำใจให้สงบได้แล้วเราจะพบกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนความสุขที่ดีกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งความสุขที่ดีกว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรี ความรู้สึกมันจะแตกต่างกันยังกับฟ้ากับดินเลยเวลาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเวลาเป็นนายกเราอาจจะคิดว่าเป็นความสุขที่สูงสุดแต่พอเรามาทำใจให้สงบแล้วเราจะเปลี่ยนใจเลยเราจะเห็นเลยว่าความสุขที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่ได้เป็นนายกนี้เ ป, น เ, นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเศษของความสุข เ็จของความสุขที่ได้จากความสงบถ้าใครได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะไม่อยากได้ความสุขอย่างนี้คนที่ออกบวชกันในสมัยพระพุทธการเป็นอย่างนี้ทท้งนั้นเขาไม่ได้ออกบวชตามประเพณีอย่างที่เราบวชกันในสมัยนี้เราบวชแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ว่าเราบวชเพื่ออะไรกันเพราะเราไม่เคยได้สัมผัส กับความสงบของใจนั่นเองแต่คนในสมัยพระพุทธกาลนี้เวลาเขาบวชเขาบวชเพราะว่าเขาได้พบกับความสุขทางใจที่เกิดจากการเจริญสมถะภาวนาพอเขาได้พบกับสมถะภาวนาแล้วเขาก็เลยไม่อยากได้ความสุขอย่างอื่นต่อให้ถูกลอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกสิบครั้งร้อยครั้งเขาก็ไม่อยากได้ ต่อให้เป็นนายกอีกร้อยครั้งร้อยพันอีกพันครั้งเขาก็ไม่อยากได้เพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้พอได้ความสุขจากความสงบแล้วไม่อยากได้อะไรเลยเพราะความสุขนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายนังที่พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้ว่านักถิสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แหละคือเป้าหมายของการขุดคน้นหาความสุขหาความจริงอยู่ที่การเจริญส ม, มะถะภาวนาการที่เราจะเจริญส ม, มะถะภาวนาทําใจให้สงบได้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือสติสตินี้จะเป็นเครื่องมือที่จะดึงใจของเรา ที่กำลังว่าวุ่นขุน ม, มัวกับเรื่องต่างๆให้เข้าไปในห้องปรับอากาศห้องปรับอากาศของใจก็คือสมาธิหรือความสงบนี้เองใจจะเข้าไปในสมาธิได้ต้องมีเชือกหนึ่งเข้าไปใจนี้เปรียบเหมือนลิงลิงนี้ถ้าไม่มีเชือก้องคอแล้วลากมันเข้าไปในกรงมันจะไม่ยอมเข้ากรง เวลาจะจับลิงเข้ากลงนี้ถ้าไม่มีเชือกนี้เราวิ่งตามจับมันไม่ทันวิ่งไปทั้งวันก็จับลิงไม่ได้เราต้องมีเชือกคล้องคองมันพอคล้องคองมันได้แล้วทีนี้เราก็ลาดมันเข้าไปในกลงได้สตินี้ก็เป็นเหมือนเชือกที่จะดึงใจของเราให้เข้าสู่ความสงบใจของเราไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะความคิดปรุงแต่งนี่ เราตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่เราหยุดคิดหรือยังคิดมาตั้งแต่ตื่นคิดทำนู่นทำนี่คิดมีนั่นมีนี่คิดไปนู่นมานี่คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดอยู่ตลอดเวลาคิดแล้วได้อะไรจากความคิดได้ความสุขจากความคิดบ้างหรือเปล่าไม่ได้เลยมีแต่จะถูกความคิดหลอกให้ไปหาความสุขจากข้างนอก พอตื่นขึ้นมาก็อยากจะดื่มกาแฟอยากจะกินอาหารเช้าแล้วเพราะต้องเดี๋ยวก็กินเสร็จแล้วก็อยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกอยากจะไปช้อปปิง้งอยากจะไปที่นั่นที่นี่พอถึงกลางวันก็อยากจะรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้ความคิดมันจะหลอกให้เราออกไปหาความทุกข์ภายนอกที่เราคิดว่าเป็นความสุข เพราะเราต้องไปทุกข์กับการหาหาเงินหาทองได้เงินได้ทองมาก็ต้องไปหาซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆเงินหมดก็ต้องกลับไปทํางานหาเงินหาทองใหม่นี่คืออิทธิพลของความคิดที่เราปล่อยให้มันคิดตั้งแต่ตื่นมาจนถึงหลับเราจึงไม่เคยได้พบกับความสงบเสียทีถ้าเราไม่ได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้า เราจะไม่รู้จักวิธีดึงใจของเราให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้เลยแต่พอเราได้ยินได้ฟังธรรมธรรมะคำสอนแล้วเราก็จะรู้แล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องเจริญสติเอาสติเอาเชือกนี้มาคล้องคอใจของเราเพื่อให้หยุดความคิด ว, วิธีจะหยุดความคิดก็คือให้เจริญพุทธานุสติ ก็คือให้เราเลิกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเช่นเราจะสวดบทอิตปิโสไปก็ได้อิตปิโสอาหารหังสัมมาไปสวดไปภายในใจตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราไม่อยากจะสวดเราก็ใช้คําบริกรรมพุทโธก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ว่าเราจะทําอะไรพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นก็พุทโธพุทโธเลย ลุกไปเดินเข้าไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบผ้าล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจเราจะว่างลงไปเรื่อยๆจะสงบลงไปที่ละเล็กเทระน้อยแล้วเดี๋ยวก็จะสงบได้อย่างเต็มที่นี่คือการเจริญสมถะภ า, ภาวนาทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ก็ต้องนั่งเฉย เวลาที่เราไม่มีภารกิจการงานต้องทำอะไรเราก็นั่งหลับตาแล้วก็บริยารคพุทโธพุทโธต่อไปเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วความคิดก็จะหายไปพุทโธก็หายไปเหลือแต่ความรู้คือผู้รู้ปรากฏขึ้นมาเหลือแต่ความนิ่งความสงบความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนก็จะเกิดขึ้นมา พอเราได้พบความสุขอันนี้แล้วเราก็จะหายหลงเราจะรู้แล้วว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้พอเราออกจากความสงบเราก็จะลืมไปเราก็จะเริ่มคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากได้ความสุขทั้งทั้งสิ่งจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้ตอนนั้นเราก็ต้องจเจริญวิปัสสนา คือมาสอนใจว่าอย่าลืมความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบความสุขภายนอกนี้เป็นความทุกขเพราะเราต้องแสวงหาเราต้องต่อสู้เราต้องดูแลรักษาและเราก็ต้องสูญเสียมันไปในภายหลังเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดแม้แต่ร่างกายของเราก็จะต้องจากเราไปสักวันหนึ่ง เวลาเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถหาความสุขภายนอกใจได้เราไม่สามารถหาเงินทองได้หาตําแหน่งได้หาอะไรได้เพรตอนนั้นใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์นนี่คือวิปัสสนาคอยสอนใจว่าอย่าไปหาความสุขภายนอกใจให้กลับเข้ามาหาความสุขภายในใจหรืออย่าไปทําตามความอยากต่างๆ หยุดหาความสุขภายนอกแล้วความสุขภายในจะเกิดขึ้นมาเองนี่คือวิปัสสนาทุกครั้งที่เกิดความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขภายนอกเราต้องใช้วิปัสสนาหยุดมันต้องสอนว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะสู้กับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจได้ความสุขภายในใจ เป็นความสุขแท้ความสุขภายนอกเป็นความสุขปลอมคอยสอนใจอย่างนี้แล้วต่อไปจะไม่ออกไปหาความสุขภายนอกพอไม่ออกไปหาความสุขภายนอกใจก็จะอยู่ภายในพออยู่ภายในใจก็จะสงบตลอดเวลานี่แหละคือการกุดค้นหาความสุขหาของจริงที่พระพุทธเจ้าได้สมค้นพบ แล้วนำเอามาเผยแผ่เอามาแบกปันให้แก่พวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วปฏิบัติตามได้เราก็จะได้รับความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนดังนั้นมันอยู่ที่ตัวของเราเองว่าเราจะกล้าพิสูจนหรือไม่เรากล้าที่จะตัดการหาความสุขจากทางภายนอกทิ้งไปให้หมดได้หรือไม่ หยุดหาเงินหาทองหยุดหาตำแหน่งหาลาภหายุทหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมาหาความสุขภายในใจด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้ได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราทำได้เราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจา้า และภาษาโกได้รับอย่างแน่นอนเพราะเหตุเป็นชนิดเดียวกันเมื่อเหตุเป็นชนิดเดียวกันผลก็ต้องเป็นชนิดเดียวกันพระพุทธเจ้าภาษาวกได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นภาษาวกก็เพราะการเจริญทานศีลภาวนานี้พวกเราก็จะได้เป็นภาษาวกเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าเราทําทานรักษาศีลภาวนานี้ หลังนั้นอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้สร้างความสุขผู้ที่จะค้นหาความสุขหรือพิสูจน์ความจริงอันนี้ให้กับตัวเราเองได้ไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ให้กับเราได้แต่ละคนจะต้องเป็นคนพิสูจน์กันเองเหมือนกับการรับประทานอาหารจานเด็ดเราต้องรับประทานเองเราถึงจะรู้ว่ามันอร่อยหรือไม่มันดีหรือไม่ คนอื่นรับประทานแล้วบอกแล้วว่าดีอร่อยเราก็ไม่รู้ว่าดีจริงหรืออร่อยจริงเขาอาจจะหลอกเราก็ได้เราต้องพิสูจน์เองนี่คือหน้าที่ของพวกเราถ้าเราอยากจะพบกับของแท้ของจริงเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราถึงจะได้พบกับของจริงของแท้จึงขอฝาก เรื่องของการมาค้นหาความสุขที่แท้จริงนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความจริงที่จะปรากฏขึ้นมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพษษระสีลัตตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้